สปริตาระมณติกะหนึ่งปริตาระมณบทหนึ่งปฏิจจาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจสามรยแปดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตฐะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตฐะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปริตฐะเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้อยแปดสิบสองเหตุตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระพาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระ ปนันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสมานันตระปัจจัยมีฆ่าวาระชาติชาตปัจจัยมีฆ่าวาระอัญญามันยปัจจัยมีฆ่าวาระนิสยปัจจัยมีฆ่าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีฆ่าวาระบุเรชาติปัจจัยมีฆ่าวาระอาเสเวนปัจจัยมีฆ่าวาระกรมะปัจจัยมีฆ่าวาระวิบากะปัจจัยมีฆ่าวาระและถึง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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะอธิ ป, ธป ต, ติปัจจัยย่อสามปดสนเหตุุปปัจจัยมีสองวาระหนะอธิปฏิปัจจัยมีกลาววาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีกลาวาระห น, ะนปัจฉาชาตะปัจจัยมีกลาววาระหนอาศัวนปัจจัยมีกลาวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระ นาวิปากะปัจจัยมี9าวาระนาจานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะคาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีฆาวาระย่อนาอธิปติปัจัยกับเหตุปัจจัยมีฆาวาระย่ออารมณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติตาวาระปัจยะวาระนิสยวาระสองสัทธาวาระ และจําปยุตตะวาระให้พิจารานเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งปริตารมณบทเจปัญหาวาระปัจยะเจตุกไนเหตุปัจจัยเป็นต้นสามปดสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธาารม ร, ม, ร, ม, รธมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยมีเ้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยย่อ3ามอเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระ อันตระปัจจัยมีเ si NO. si NO. ้าวาระสมนันตระปัจจ şey ัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิเชยปัจจัยมีเก้าวาระปุปานิเชยปัจจัยมีเ้าวาระอาิเวชนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระ ชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระนัตติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจนียุทธาระสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยย่อสามรปดเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอารมณะปัจใจมีเก้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีเก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะ อนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้วสองมหคัตารมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจใจสามร้ยแปดสิเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคัตเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคัตเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหักตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหักตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหักตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหักตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระย่อสาม้อเก้าสิบเหตุตุปัจจัยมีเ้าวาระ อารามณะปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระและถึงกามปัจจัยมีฆ่าวาระวิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระอาหาราปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระยอ่อนัเหตุ ป, ปัจจัยและแอนอธิปติปัจจัยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคตะเป็นอารมณ์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 นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปฏิปัจจัยมีเ้าวาระนัปเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนัปฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอาศัยวุณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระย่อนอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเ้าวาระ ยอ่อธรรมะปัจจัยกับเนเนหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหชาตวาระปัจยวาระนิจยวาระสังสทัตวาระและสัมยุญตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. มหัคตารรมณบท 7. ปัญหาวาระปัจยยะจตุกนัยเหิตุปัจจัยเป็นต้น39มสา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 ซึ่งมีม ห, หาคตเป็นอารมณ์โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคตเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคตเป็นอารมณ์โดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานะทิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมีมหาคตเป็นนารมเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคตเป็นนารมโดยทุติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติมีสามวาระย่อสเกเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงนิจยปัจจัยมี 9, ก้าวาระอุปาเนสยปัจจัยมีเก้าวาระ อาเสวณปัจจใจมีเก้าวาระรามะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจใจมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจใจมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัครัปัจใจมีเก้าวาระและถึงอวิคตปัจใจมีเก้าวาระย่อปัจนียุทธาระสาม้าห้า สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคัตเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งมีมหาคัตเป็นอารมณ์โดยอารมณจจปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสามร้อยเก้าสิบหกณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอนะอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกเพตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ อรมณะปัจจัยกับนเหอตุปัจจัยมีกลาววาระย่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจน尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุจระปิกะที่นับไว้แล้วสามอปมานารมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนายเหตุตุปัจจัยสาม้ยเกสิบ็ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอปปามะนะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ ซึมีอปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุ call. ปัจจัยมีสามว er าระย่อส า, า leven leven leven. มร้อเก้หตุปัจใจมีเก้าวาระอารมณ์ปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระอันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระสหชาติปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีเก้าวาระนิสยปัจใจมีเก้าวาระ ป, am, ปุ ara, ปนิเสียปัจจใจมีกลาวาระปุเรชาติปัจจใจมีกลาวาระอายจิวนาปัจจใจมีกลาวาระกรมมปัจใจมีกล่าวาระวิปากปัจใจมีกล่าวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีกล่าวาระย่อณเหตุ ป, ปัจใจสารยเก้าสิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอปมาณะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมีอัปมณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยย่อ400นนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอาเซวณปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระยอ่อณอธิปติปัจจัยกับเพริโตปัจใจมีเก้าวาระย่ออารมณ์นัปปัจใจความนัเหตุปัจจใจมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสถวาระและสัมปยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิ จ, จาวาระสอปมานารมนามณบท เปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยิเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่ร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอภปมานะเป็นอารมณ์ โดยอารมณปัจ um, จ the ัยม the an the ีเก the ้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปปามะนาเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปปามะนาเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปฏิและจหชาตาธิปฏิมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอปปมานาเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอัปปามะนาเป็นอารมณ์ โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมนาทิปติและจหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานธาทิปติมีสามวาระยอ่อ402เ hey, หตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ อารามณ์ปัจจัยมี๙วาระอธิปติปัจจัยมี๙วาระอานันตระปัจจัยมี๙วาระสมนันตระปัจจัยมี๙วาระสหชาติปัจจัยมี๙วาระอัญญามัญญปัจจัยมี๙วาระนิสยปัจจัยมี๙วาระอุปาินสยปัจจัยมี๙วาระเสวนปัจจัยมี๙วาระกรรมปัจจัยมี๓วาระวิปากปัจจัยมี๙วาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมี9้าวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมี9ก้าวาระสมยุตตะปัจจัยมี9ก้าวาระอติปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระยอ่อปเ จ, จนียุทธาระสี่ร้สามพาะวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปมานะเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแ่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปิมานะเปะ็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยยอ่อ404ณเหตุ ป, ปัจจัยมี๙าวาระณอารมณปัจจั ย, ปปจจยมี๙วาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๙วาระยอ่อ พึงนักเหมือนอนุโลมปัจจิยะอนุโลมปัจจิยะและปัจจิญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกะและปริตารมานาติกะจบ สิบสี่หินนาติกะหนึ่งหินนบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะเจตุกนายเหตุปัจใจสี่ร้อยห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาใจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำ เกิดขึ้นเพราเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ406เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตทปัจจัยมีห้าวาระสมนันตทปัจจัยมีห้าวาระ สหชาตะปัจจัยมีก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีก้าวาระเนสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปเนสยปัจจัยมีก้าวาระบริชาตปัจจัยมีก้าวาระอไสยวนปัจจัยมีเก้าวาระรามะปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อ น่เหตุปัจจัยและน่อธิปติปัจจ SI mm. investigation ัยส enfin well. <dec> ี่ร้อยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมช <oversized> ั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป <reborn> ็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะน่อธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำ อาศัยสภาวธรรมที no ่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะหน้าธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดเพื่อเพราะหน้าทิปฏิปัจจัยมีสามวาระย่อสี่ร้อยแปดนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ นภุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อนอาทิตติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ เพิ่งขยายสหาชาติวาระปัจยวาระนิสยวาระสังจัตถาวาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งหินบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น4ี่เกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำโดยอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณธาธิปฏิและสัหชาตาธิปติยอ่อสี่รอยสิเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระ อันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอริยมรรยปัจจัยมีเ้าวาระนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยาปัจจัยมีเ้าวาระอาเจวาระนัปปัจจัยมีสามวาระอหารัปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ มัคราปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อปัจเจนียุทธาระ411สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยยอ่อ412 นาเหตุปัจจใจม <pod cast> <Y. S 1> ีห้าวาระนาอารมณะปัจจใจมีห้าวาระย่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจใจมีสามวาระย่ออารมณปัจใจกับนาเหตุปัจจใจมีห้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญิยะอนุโลมปัจญิยะและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละติกะที่นับไว้แล้วสองมะิมบท หนึ่ปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยสิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอสี่้อยสิบสี่เหตุปัจจัยมีกล่าววาระอรมาณปัจจัยมีกล่าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อ นะเหตุปัจจัยสี่ร้อยสิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยย่อสี่้ยสิหนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารรมณปัจจัยมีสามวาระนะอเทปติปัจจัยมี9ก้าวาระนัออนันตะระปัจจัยมีสามวาระละถึงนอุปณิสยปัจจัยมีสามวาระ นาุเรชาติปัจจัยมี๙วาระนปัจฉาชาติปัจจัยมี๙วาระนอเศวณปัจจัยมี๙วาระนกรรมปัจจัยมี๓วาระนวิปากปัจจัยมี๙วาระนอาหารปัจจัยมี๑วาระนอินทรียะปัจจัยมี๑วาระนาฌานะปัจจัยมี๑วาระนามขะปัจจัยมี๑วาระนสัมยุญตรปัจจัยมี๓วาระ นวิปยุตตปัจจัยมีกลาวาระแถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารรมณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระปัจยวาระนิจยวาระสังสถาวาระและจำปยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ สมัจฉิมบทเจ็ปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนาฏเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่ยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเป็นปัจจัยแิ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางโดยอารมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติย่อสี่้ยสิบปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระและถึงอุปญิสีปัจจัยมีห้าวาระอุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ ชัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอสิวะปัจจัยมีห้าวาระระมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ ยอ่อปัจจนิยุทธาระ419สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางโดยอ 20, ปปจจย า, า ร, นะอรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาเสียปัจจัยย่อ420นเหตุปัจจัยมี๕วาระณอารมณปัจจัยมี๖วาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุ ป, ปัจจัยมี๓วาระ ย่อธรรมณะปัจจัยกับนเหตุุปปัจจัยมีฆาวาระย่อพึงนักเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมะปั จ, จนิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลติ ก, กะที่นับไว้แล้วสามปณิตตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจญยะจตุกนัยเหตุุปัจจัจียจจ่ยยี่สเอ็ด สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตอาศัยสภาวธรรมท Love, ี่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประีต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ422เหตุปัจจัยมี9้าวาระอรมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงกรรมปัจจัยมี9้าวาระวิปากปัจจัยมี9้าวาระมหาราปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระย่อณอธิปติปัจจัย 23, สี่สภาวธรรมท de, ี 24, ่เป็ 24, นเหตุซ no ึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีตเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อ424ีนอธิปติปัจจัยมีหกวาระหนุ้เรชาตปัจจัยมีห้าวาระหนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระหน้าเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระปัจจยาวาระนิสียวาระสังสถวาระและสัมพยุตตาวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจัวาระ 3. ามปณีตาบท ปัญหาวาระปัจจยะจัตุกัยเหตุปัจใจเป็นต้น425สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีโดยเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีโดยอรมณปัจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีเป็นปัใจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมเช่นประนีโดยธิฏฐิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปฐิและสหชาตาธิฏฐิมีสามวาระย่อ4ี่ยยีเหตุปัจจัยมีสามวาระอารม ณ, ณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอ น, รนันตระปัจจัยมี9้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเกวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีเ้าวาระสัมพยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระ ปอธิปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อปัจจนิยุทธาระสีร้อยยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีเป็นปัจจัยก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมชั้นประนีโดยชาชาตะปัจจัยและอุปาณิเสปปัจจัยย่อสี่รอยยี่สิบปดนัเหตุ ป, ปัจจัยมีก่าวาระ นาอารามณะปัจจัยมีก้าวาระย่อนาอารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจิยะอนุโลมะปัจจิยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละติกะที่นับไว้แล้วเพตุทุกกะและหินติกะจบ ตุทุกะสิบห้ามิจฉาตะนิยตติกะหนึ่งมิจฉาตะนิยตตบดหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัี่อยยี่สสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุกปาจัยมีสามวาระ สภาวะธรรม ท, ที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะอรมณปัจจัยย่อ430เหตุปัจจัยมีกล่าววราอรมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีกล่าววระอนันตระปัจจัยมีกลาวว่าสมันตระปัจจัยมีกล่าวว สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระมาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอธิปติปัจจัย4ี่สอ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยย่อ432นอ er. ธิปติปัจจัยมีสามวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระหนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระย่อ น้าอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยกับหนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงขยายจหชาตะวาระปัจยวาระมิจยว า, าวาระสังสัทธวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจัวาระหนึ่งมิจฉะตานิยะตะบทเจตปัญหาวาระปัยะจยจตุกนยัย เหตุตปัจจ hmm. ัยและอธิปฏิปัจจัย433สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยเหตุตัวปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระย่อสี่สามเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระ อินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคะปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตะปัจจัยมีก้าวาระอัติปัจจัยมีก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระยอ่อปัจจนิยุทธาระ๔๓๕สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยชหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยยอ่อ436นเหตุ ป, ปัจจัยมีก้าวาระณอารมณปัจจัยมีก้าวาระยอ่อณอธิปติปัจจัยขับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออธิปติปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงนักเหมือนอนุโลมปัจจนยะ อนุโลมปัจจนญญาและปัจจนญญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลตะกะที่นับไว้แล้ว 2. สองสมัตตนิยตะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุ ป, ปัจจใจ437สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาิษฐาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน เกิดข <c oughs> ึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระ ย่อศรีร้อยสามสิบปดเฮตุปัจจัยมีฆ่าวาระประมณปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีฆ่าวาระอาเสวะณะปัจจัยมีฆ่าวาระกรรมปัจจัยมีฆ่าวาระอหาร า, าปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงปจจวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาร ะ, ะ, ร ะ, า ะ, ย, าระย่อณอธิปติปัจจัย สี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเ พ, นเพราะเนะอธาทิตติปัจจัยยอ่อ440รนอธิปติปัจจัยมีหกวาระเนะปุเรชาติปัจจัยมี9้าวาระเนะื้ปัจฉาชาติปัจจัยมี9้าวาระเนะกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปปะปัจจัยมี9้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอาทิตติปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีหกวาระย่อเภตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีหกวาระย่อพึ่อขยายชหชาตะวาระปัจจยวาระนิจยวาระสังจัตตาวาระและสัมปยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ2 สรรมะตานิยตบทเจ7ปัญหาวาระปัญญ Luna, จจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย441สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่เป <|hi|> ็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยธิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิฏติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยทิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิฏติมีสามวาระย่อ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 สัมปยุตตปัจจัยเมกาวาระอาทิตปัจจัยเมกาวาระอวิคตะปัจจัยเมกาวาระย่อปัจนิยุทธาระ4๔๓สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยสหชาตะปัจจัยและอุปนณิสยปัจจัย ย, ย่อ สี่รสิสีเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่ออธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจินยอนุโลมปัจจินยาและปัจจินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วส อนิยตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุคันเหตุปัจจสี่ร้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสี่อสี่เหตุปัจจัยมี9ก้าวาระอารมณปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระละถึงกรมปัจจัยมีเ้าวาระ วิปลาภะปัจ <moon> จัยมฆาวาระละถึงอวิคตะปัจใจเมฆาวาระย่อหน้าเหตุตุปปัจจัยและหนอารมณปัจใจสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น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 นะสัมมณันตระปัจจัยมีสามวาระนะอัญญมันยปัจจัยมีสามวาระนะอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนะปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระนะปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระนะอเสวณปัจจัยมีเก้าวาระนะกรรมปัจจัยมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณจานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนม克拉ปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระ ปัจยวาระนิจยวาระสังสัทธวาระและสัมปยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสอนิยตบทเจปัญหาวาระปัจยยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่ร้อยสี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนด้วยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนด้วยการทั้งสองนั้น โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยอรมณปัจจัยมีก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณาธิปติ และ hit, สหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยที่ปฏิปัติัจมีอย่างเดียวคืออารมานะทิปติมีสามวาระย่อ450เหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจใจมีกล่าวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระอานันตระปัจจใจมีกล่าวาระสมนันตระปัจจัยมีกลาวาระสหชาตะปัจจใจมีกลาวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีกลาวาระ นิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระบุเรชาตาปจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรหมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเก้าวาระ สัมปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ <arch ang els> ปัจจนียุทธาระ๔๕๑สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น โดยอารมาณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยย่อ452นเหตุปัจจัยมี9วาระณอารมณปัจจัยมี9วาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะ และปัจจนิยานุ n u l แห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วเฮตุทุกกะและมิจตตนิยตติกะจบ